ถวายพระอาจารย์แก้วครั้นถึงนวันพุธเดือนหกปีวอกพุทธศักราช2 3 19, ง9นางุดปั่นปวนคันจะคลอดบุตรครั้นได้เริกงามยามดีนางงุดก็คลอดบุตรเป็นชายที่ล่ำสันหมู่ญาติมิตรก็ได้มาพร้อมกันดูแลบำรุงนางและลูกเมื่อเด็กนั้นเจริญไว้ได้สักเดือนเศษ บรรดาญาติมิตรพากันมาสังเกตตรวจตราจับจ้องประคองทารกน้อยเชยชมบางคนคลำถูกกระดูกแขนเห็นเป็นแกนกระดูกเป็นท่อนเดียวกันก็พากันเฉลียวใจโจดกันไปโจดกันมารันช้อนทารกขึ้นนอนบนขาเพื่อจะอาบน้ำก็เห็นปานดำที่กลางหลังอยู่หนึ่งดวงต่างคนต่างก็ทักท้วงกันไปทายกันมาพูดไปต่างๆน า, น า, น า, นาดีบ้างไม่ดีบ้าง แลแต่วินิจัยของแต่ละคนการทักทายหละประการนี้ทําความรําคาญใจให้แก่นางงุศผู้เป็นแม่มากได้เกิดความไม่สบายใจนึ้กลัวไปว่าวาสนาตัวน้อยจะไม่สามารถเลี้ยงดูลูกให้สุขสบายไปตลอดรอดฟังนางงุดจึงบอกบิดามารดาพร้อมทั้งนายทองนางเพียนให้ช่วยสืบเสาะดูพระสงฆ์องค์เจ้ารูปใดวัดไหนที่มีดีเปลืองปราดอยู่ในละแวกนี้ ไม่เห็นว่าพระสงฆ์องค์ใดมีวิชาวความรู้ปฏิบัติเคร่งครัดอยู่วัดใดขอให้ช่วยพาบุตรประทวายเป็นลูกท่านองค์นั้นในวัดนั้นด้วยฝ่ายนางทองในเพียนจึงพากันนั่งนึกตรึกตรองไปทุกวัดในแถบนั้นได้คิดถึงหลวงพ่อแก้ววัดบางลำพูบนคนทั้งห้าจึงปรึกษาหาเรือกันที่จะนำเด็กน้อยไปฝาที่เป็นลูกหลวงพ่อแก้ววัดบางลำพูบน พอได้เวลาก็พากันไปที่วัดในเวลาเย็นวันนั้นเองนางงุดอุ้มบบาลูกอ่อนพาไปนอนแบบเบาไว้ที่มุมโบสถ์วัดบางลำพูบนตอนด้านตายนาคุติของพระอาจารย์แก้วจากนั้นในทองนางเพียนจึงได้ติดตามเดินหาพระอาจารย์แก้วพระส่วนมากในเวลาเย็นพระอาจารย์แก้วต้องลงทำกิจกวาดลานวัดทุกๆวันเป็นนิดม่เคยขาด นางทองเพียนตามหาพระอาจารย์แก้วพบพระอาจารย์กำลังกวาดลานวัดอยู่ทางทิศเหนือนางทองนางเพียนจึงสุดตัวลงนั่งยองยองยกมือทั้งสองขึ้นประนมกราบแล้วเล่าถึงเหตุที่มาวัดวันนี้แก่พระอาจารย์ฝ่ายพระอาจารย์แก้วฟังคำนายทองนางเพียนแล้วก็ตรวจนิ้วมือนับดูรู้เรื่ยามตามตำราแล้วขึ้นกุฏิออกนั่งที่สำหรับแขกบ้านทันที ทางฝ่ายตยาผลเยลานางุดก็ประคองเบาอุ้มบุตรน้อยขึ้นกุฏิทันทีและต่างพากันเข้ากราบพระอาจารย์แก้วตาผลกล่าวว่ากระผมเป็นตาของเด็กนี่แม่มืนนั้นเป็นลูกสาวของกระผมเองและกระผมกับแม่ของมันมีความยินยอมพร้อมใจกันยกไอหนูน้อยเนี่ยถาวายหลวงพ่อเป็นศิษขาตั้งแต่วันนี้ขอหลวงพ่อได้โปรดกรานีอนุกคราห์รับเจ้าหนูน้อยเป็นลูกของหลวงพ่อด้วยเถิดขอรับ ตาผลกับนางงุดก็ช่วยกันอุ้มเบาะหนูน้อยขึ้นวางบนตักพระอาจารย์แก้วพระอาจารย์แก้วเมื่อได้รับเด็กอ่อนไว้แล้วท่านก็ตรวจตราพิจารณาดูก็ดูด้วยการพิจารณาว่าทารกคนนี้เป็นผู้มีปัญญาทั้งเฉลียวฉลาดในการร่ำเรียนประกอบด้วยความเพียรและความอดทนจะเป็นคนที่มีความเปลืองปราดอาหารอาจจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางวิทยาคม จะเป็นคนที่กรอบด้วยอิสริยยศบริวารยศมากจะเป็นผู้ประหลาดแปลกกว่าคนอื่นนอกจากนั้นท่านยังได้ทํานายต่อไปว่าทารกนี้จะเจริญมีชนมายุยิ่งยืนนานเมื่อพระอาจารย์แก้วตรวจพิจารณาชะตาราศีแล้วจึงได้ผูกข้อมือเสกเป่าเข้าปากนวดน้รดูนิ้วของท่านเพื่อรักษาเหตุการ์ตานซางและละ ล, ะลอกทรพิษไม่ให้มีพิษมารบกวนแก่เด็กน้อยนี้ และท่านก็ฝากให้นางนุชช่วยเลี้ยงดูจนกว่าจะสามขวบโดยพระอาจารย์แก้วจะให้ค่าน้ำนมค่าข้าวตกปีละหนึ่งรอยบาทและท่านยังกำชับอีกว่าอย่าให้มารดากินของขมและของเผ็ดร้อนและของบูชาเกรงขีร่รถทาราจะเสียและก็สั่งให้ในผลให้เอาใจใส่ระแวดระวังคอยเตือนอย่าให้นางนุชเล่นเล่ืมเอื้อประมาทคอยดูอย่าให้นางกินของสแสลงตามที่เราห้าม ถ้ผลนางงุษยพนมมือรับคำนั้นแล้วก็กราบรับลูกต้อยอุ้งกลับบ้านพออายุเด็กได้สามเดือนได้ทำการโกนผมไฟในเดือนเก้าปีวอกศกนั้นรันกำหนดวันเลิกแล้วในผลจึงได้ไปที่วัดบางลาพูบนนิมนต์ท่านพระอาจารย์แก้วและนิมนต์สงอีกสี่รูปรวมเป็นห้ารูปเข้ามาเจริญพระปริษพุทธมนตในเวลาเย็นรุ่งขึ้น เรื่อกนผมไฟและนิมนต์รับอาหารบินทบาทหลังจากทำพิธีกนผมลูกชายเสร็จแล้วนางงุชก็ปรึกษาพ่อแม่เพื่อเตรียมล่องเรือทำการค้าขายของจากเมืองเหนือไปบังกอกจากบังกอกไปเมืองเหนืออีกครั้งจากการค้านีนครั้งนี้ทำให้ผู้คนได้รู้จักครอบครัวนี้มากขึ้นอีกทั้งฐานาดีขึ้นเป็นลำดับถึงได้ตัดสินใจละทินฐานทานทงเมืองกาแพงเพชร ลงมาจับจองซื้อหาที่ดินแถวเมืองพิจิตรลูกบ้านตั้งถินทานปักหลักเสี่เมืองพิจิตรนี่เองโดยปลูกคารืหาดใหญ่โตนอกจากนั้นได้ทําบุญให้ทานที่วัดใหญ่เมืองพิจิตรจึงได้มีความชอบชิ้สนิทสนมกับท่านพระครูใหญ่วัดใหญ่นั้นพอสมควรมีธุระา ป, ปาปังอะไรก็ไปมาหาสู่ท่านทายกจากดีกาไม่ว่าการงานอะไรมาถึงแล้วไม่เคยที่จะอิดออดหรือชักช้าแต่อย่างใด ยินดีในการบุญการกุสศเลยเป็นบุคคลที่มีหน้ามีตาพอสมควรในเมืองพิจิตรท่านพระครูใหญ่วัดใหญ่ในเมืองพิจิตรนั้นว่ากันว่าท่านองค์นี้มีดีในความรู้วิชาคาถาอาคมวิชาฝายนักเลงต่างๆเป็นที่เคารพยามเกรงของหมู่นักเลงแถบนั้นเป็นอย่างยิ่งท่านพระครูใหญ่วัดใหญ่องค์นี้เชี่ยวชาญชำนาญรอบรู้ในคมภีมูลระกรทั้งห้าคำพี กล่าวได้ ว, ว่าขณะนั้นในเมืองพิจิตจะหาใครเทียมท่านมิได้เลยนอกจากนั้นท่านยังขวงในทางคาถาอาคมอยู่โยงคงกระพันทั้งพูดทั้งผีทั้งปีศาจห้ามเสือห้ามเจระเขคห้ามสัตว์ร้ายมิให้ทําร้ายก็ได้เป่าเสกให้คนและสัตว์ร้ายอ่อนเปลหมดแรงประาทรงในเมืองพิจิตเกรงกลัวท่านมากตลอดแขวงตลอดคุ้มไม่มีวัดไหนร่วงบัญญัติกติกาสัญญาอาบัติเลย แม้กระทั่งเจ้าเมืองกรมการก็ยามเยงเกรงขามท่านพระครูวัดใหญ่ท่านไม่ได้มีดีจริตอย่างเดียวท่านยังกรอบด้วยเมตตากรุณาต่ออุบาสกอุบาสิกาสานุสิทธิ์มิตรญาทั้งหลายสง่งเคราะ์อานุเคราะห์ทั่วไปมีอัธยาศัยกว้างขวางเผื่อแผ่เกื้อกูลคนที่ควรสมควรไม่จำเพาะใครคนใดคนหนึ่งอีกทั้ง ข, งข่มขีขัดกลาวกิเลสด้วยไม่โลภโมโทสันขันติธรรมก็กล้า วินัยก็เคร่งจึงมีผู้นิยมไปมาหาสู่มิได้ขาดท่านเป็นพระคณาจารย์ที่ทั้งฉลาดในข้อปฏิสันฐานเรื่องการวัดต่างๆก็คอยดูแลเอาใจใส่ปฏิสังขรในสิ่งที่ชำรุดเสื่อมโทรมไปทั้งยังแนะนำพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาให้รู้จักกิจนับถือพระพุทธศาสนาด้วยระสาทมีศรัทธามั่นคงจานวแน่วแน่ในพระรัตนตรยัย ดูแลเอาใจใส่สอนสิทธิ์ให้รู้ทางที่เป็นประโยชน์ทางดีที่ควรไปทางครอบครัวนังมุดนั้นจะล่องจากเมืองพิจิตรลงมาค้าขายยังเมืองบังกอกก็ต้องไปร่ำลาวรถน้ำมูลจากท่านพระครูปรับน้ำมนลมาประโภมสินค้าและพรมเรือพรมคนเจวโรมบ้านเรือนเพื่อให้พ้นภัยอันตรายให้สินค้าซื้อง่ายขายคล่อง หลังจากค้าขายเสร็จกลับมาก็ต้องไปสักการะท่านพระครูจะเหตุนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้เพราะทําให้รักชอบไปทั้งเมืองเหนือเมืองใต้มีคนเกรงใจนับหน้าถือตาเมื่อจะค้าก็ไม่ต้องลงทุนได้ผ่อนซักออกไปหมุนหาดอกเบี้ยทั้งยังเข้าหุ้นกับพ่อค้าใหญ่มีกําไรงอกงามเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้น ผลัดแผ่นดินใหม่เมื่อถึงปีขารพุทธศกราช2325แผ่นดินของพระเจ้ากรุงทนได้สิ้นอำนาจลงเป็นที่เจ้าพระยาจากกรีมหากษัตริย์ศึกขึ้นเถลิงทาวันราชปราบดาพิเศษเปลี่ยนเป็นปฐมบรมจากกรีพระองค์แรกและส่งย้ายพระมหานครข้ามฝั่งตะวันออกแห่งกรุงทนบุรีมาตั้งอยู่ทางฝั่งกรุงเทพตรงหัวแหลมระหว่างวัดโพและวัดสลัก เป็นคราวผัดแผ่นดินใหม่สมขนามพระนครใหม่ว่ากรุงเทพมหานาครพระบรมราชนามาพิไทยว่าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งกรุงเทพทรงแต่งตั้งเจ้าพระยาสุรสีน้องชายเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ามหาสุรสีหนา ن รวมพระราชวังบรวรสถานมงคลทรงตั้งพระมเหสีเดิมเป็นสมเด็จพระอมรินทรามาตศ ทรงตั้งพระโอรสที่สอันมีพระชนพรรษาได้สิหกพรรษาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์เทเวศขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าภาคินไยราชกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขฝ่ายพระราชวังหลังรับพระราชบัญชาฝ่ายเด็กชายโตบุตรชายของนางงุดซึ่งเกิดแต่เจ้าพระยาจักรีมหากษัตริย์ศึกในสมัยที่เป็นขุนศึกออกไปรบทัพกับะแซวุลกี้ ที่จังหวัดกำแพงเพชรนั้นขณะนี้มีอายุได้เจ็ดขวบเมื่อบ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้วนางงุดจึงได้พาบุตรชายเข้าไปถวายท่านพระครูใหญ่เมืองพิจิตรให้เป็นเิษร่ำเรียนหนังสือไทยหนังสือขอมและกิริยามารยาทขนบธรรมเนียมการวัดการบ้านการเมืองการโยธาการค้าขายเลขวิธีต่างๆการของผู้อยู่การของผู้ไปการรับการส่งการที่เจ้าจะใช้นายจวา การไว้ท่าวางทางสำหรับผู้ลากมากดีในสนักนี้ของท่านพระครูใหญ่วัดใหญ่นั้น